ขอความสุขความเจริญจงมีแลิท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทลัยสีปทุมในวันนี้ก็จะพูดถึงภาษิตคือคำกล่าวของพระสารีบุตรในข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งพันแปดนะ ก็เป็นคำกล่าวของพระเถระหลายๆรูปคือคำว่าหนึ่งันนี่ท่านนับมาตามลำดับเจ้าองค์แรกมี20ประคาถาท่านก็นับหนึ่งถึงยองค์ที่สองท่านก็นับกาถาที่21ขึ้นไปไปจบที่ไหนก็ขึ้นองค์ที่สมก็ขึ้นมาเรื่อย คือท่านเรียงจากข้อความที่สั้นในมหายาวเป็นเอกานิบาตเป็นทุกกานิบาตเป็นติกานิบาตก็มาเรื่อยๆหมายความถ้าเอกานิบาตก็คาถาบาตรเดียวบทเดียวทุกกานิบาตก็สองบทติกานิบากบต ก, าบาก็สามบทแต่ของราษาริบุตรนี่เยอะนะถ้าเทียบที่ท่านสาชุชนคุ้นเคย ก็คือเรื่องทศชาติทศชาติท่านจะเห็นว่าในพระไตรในในชาดกหนึ่งพันห้าร้อยเรื่องเรื่องพระเบสันดรอรในคาถายาวเหยียดเลยหนึ่งพันพระคาถาเหมือนกับเป็นมหากาบเลยพรน่านก็อยู่ข้างหลัง ระคาถามากกว่าเพื่อนแต่จดกแรกเนี่ยอภรณกัจาดกเนี่ยมีคาถาเดียวแค่นี้สองวันทัดแอ้เ ร, รียงมาจนถึงพันแปดร้อยคำถามตอนคำคากล่าวตอนนี้ลงมาค่อนข้างสามันสามัน บอกว่าบุคคลไม่ควรวางใจในคนบางพวกไม่ว่าจะเป็นเครือหัสหรือบัญชชิดก็ตามเพราะอะไรเพระตอนต้นถึงแม้ จ, จะเป็นคนดีภายหลังอาจจะเป็นคนไม่ดีไปก็ได้หรือว่าตอนต้นเป็นคนไม่ดีแต่ภายหลังกลับเป็นคนดีก็ได้ คนของเราไม่ควรปักใจอะไรง่ายเกินไปที่โบราณท่านเตือนเอาไว้เชื่อคนอย่าเชื่อคนเชื่อหลายคนมักเสียการทศกัน์พยามานานุมาารู้มาดวงใจเชื่อถ้าเราดูวันนาคดีราบเกลียน ว่ า, านุมาเนี่เล่นงานทศกณัณฐเจ้าแม่มันหลายครั้งหลายคนไปเกินแต่ทศกัณฐ์ปัจจนแต้มก็จริงๆนี่เชื่อเลยโกบุตรศียอามาฝากให้เป็นลูกบุญธรรมมอบตำแหน่งอินทราชิตให้เลยมอบวังอินทรชิตให้หมอบสนมกำนันในมเมเศสีของอินทรชิตให้เลยเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวน อนุมานก็ทําให้เป็นที่วางใจแน่แล้วได้จังหวะโอกาสก็ประสานงานกับพระรามตัวเองก็ต้มทั้งฤษีโคบุตรจักรตตัว ท, วทศกัณฐ์ฤษีโคบุตรก็เชื่อแต่ทศกัณฐ์ก็เชื่อสนิทโคบุตรเชื่อจนมอบกรองรวงใจเอาไปให้เก็บเอง กลัวว่าเข้ากลายตัวทศกัณฐ์แล้วดวงใจจะวิ่งเข้าไปสู่องค์จะทำให้ข้าได้ตายอนุมานเขาไปฝากไว้ในองคตถือไว้ลอยรออยู่กลางอากาศพอได้จังหวะตัวเองไปที่วางใจแล้วก็ไปรับกลองดวงใจมาให้สัญญาณพระรามยอะเยอยอทศกัณฐ์สารพัด ทุการ์ก็โอดโอวยถึงความรักความไว้วางใจแ้วก็ในที่สุดทุสการ์ก็ตายโดยสอนพระรามพร้อมด้วยนุมานก็ข ย, ยี้กลองลงใจพังไปเลยอยันนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการสะท้อนห้เห็นว่าจะวางใจคนอะไรง่ายเกินไป โบราณท่านคิดไว้ดีนะท่านคิดว่าเชื่อคนอย่าเชื่อคนเชื่อหลายหนมักเสียการทศกัณพยามาณหนุมานล้วงมาดวงใจมันเป็นการสรุปสาระสำคของเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนึ่งได้อย่างดีมากๆแล้วถ้าเราดูตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยแต่ละคนน่าอินดูคือเชื่อง่าย โทจสกันมาหลอกเรื่องนางเสียดาศสีดาญ า, าติวงพงษาเชื่อหมดยกเว้นอินทรชิตกับทศกันไม่ใช่กุพกันไม่เชื่อห้ามปามพ่อห้ามปามพี่ด้วยประการต่างๆพี่เพกก็ไม่เชื่อนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อแล้วกรูดแค้นยังตามไม่แก้แค้นล้างผลาญกันอีกเยอะเลยหลังจากทศกันล้มไปแล้ว ไปยังข้าอย่างเบียดเบียนอย่างประทุษร้ายกันอยู่เป็นการแก้แค้นของคนรุ่นหลังเอาจนสิ้นโคดยากเลยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากคือว่าคนเราบางชีเนี่ยมันเป็นการมองอะไรแคบแคบอย่พูดถึงคาว่าการเมืองมาอย่างนึงนั่งนึกยิ้มยิ้มอยู่ว่าอะไรกันนักหนาละ่ะ ขายข้าวกลึกไม่ได้ราคามันก็เป็นการเมืองแล้วคนตกน้ําท่วมน้ำหลากมันก็เป็นการเมืองแล้วมันเป็นวิถีของสังคมอะ่ะเพราะนอย่างเรื่องรามเกียรติเนี่ยเราจะเห็นว่าการเมืองทั้งเล่มไม่ใชเ่เรื่องเวสันดอนเนี่ยการเมืองทั้งเรื่องเนี่ยคือฝ่ายกรุงศรีพีนี่ก็รู้ศักยภาพของตัวเองดี พราะถ้าแคว้นกาลิงค ร, ราชแกเล่นแบบยกกองทัพมาเายึดเอาช้างปัจจัยนาเขตเนี่ยรบสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเขาต่อสู้ด้วยความอยากสุดๆว่าถ้าไม่ได้ช้างปัจจัยนาเขตบ้านเมืองเขาก็ตมหากินไม่ขึ้นผลความไม่ถูกต้องตามระดู ก, กัน พระนการส่งพรามาเนี่ยที่จริงมันเป็นแนวหน้าเฉยๆหมายความมาถ้าไม่ให้ก็รบกันเพราะเันดอนนอกจากว่าจะรู้ว่าเป็นเรื่องศึกใหญ่ครับจะต้องการมาเป็นบา ร, รมีด้วยท่านก็ให้ไปกรณีสืควขยกะลิงกระราดมันก็ไม่มี แต่ราษฎรไม่รู้อิหนอยเนย่ก็ดีนาะแต่กถาบอกว่าเทวดาดนใจจริงจริงราษฎรน่ะไม่รู้อิหนอยเน่ถูกกลุ่กระดมเร่งรา้ามองไปในด้านเดียวแก้ไขปัญหาการเมืองด้านกรลรินก ร, ราชได้เอา้าเกิดกระนาบกันปนัญหาการเมืองภายไหนขึ้นมา ราษฎรบังคับให้ขับไล่พระเวสสันดรที่ให้ช่างปจัจจญานาเขตไปแต่ถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงว่าเข้ามาขอเพื่อผวลความตกต้องตามมาดูการเราจะเอามาคืนขอยืมต่นนั้นเองไม่ใช่ขอหรอกแตยช่างปจัจญานาเขตก็เป็นของพระเวสสันดร ไม่ใช่เป็นของรัฐนะฮะเป็นของส่วนพระองค์แต่คนรอพอหน้ามืดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละในทสุดก็ขับไล่พระเวสสันดรไปประเวสสันดรท่านก็ไม่ท้อถอยท่านก็ให้ไปเรื่อยอย่างที่รู้กันเราจะว่าเป็นการให้ในแนวนี้ก็คือเรื่องของการ ม่เพญฐานบารมีนั้นก็ใช่แต่พอเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเจตราชเราก็เห็นว่าเออพระเจ้าเจตราชนั้นต้องการให้พระเวสสันดร อ, อยู่ทรงนั้นถ้าพระเวสสันดรจะอยู่ก็อยู่ได้เจตราชเขาเป็นเครือกษัตริย์นะฮะหมายความคล้ายๆกับมันล ะ, ะคล้ายๆกับวัชีเนะี่ย เราก็สู้โรคกับสีพีก็ได้สบายแต่ว่าเวชนอนไม่เอามนชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านตกลงว่าเป็นวิเทศโสบายเป็นนโยบายระหว่างประเทศทั้งไม่รับความหวังดีของพระเจ้าเจตรารแล้วก็ให้ช้างปัจญานาเคีนแก่แคว้นกะลิงกะราฐนั่นก็การเมืองอ่ะ การเมืองตลอดเส้นทางเนะ่ยแล้วทำไมเราฟังเดินเรือนโดยเราไม่รู้นี่คือการเมืองถึงการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะแล้วก็สองประเทศด้วยเราอย่าลืมว่าถ้ารับความหวังดีจากพระเจ้าเจตระรัศฎรก็ปลุกป่านยุยงให้รบ ก, กับพระเจ้าเจตระร เท ต, ตุดอนเขาไปไม่รอดละแฟวนสีพีก็ เ, เอาไม่อยู่หรอกมันกลายเป็นศึกใหญ่มันเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธหมายความราษฎรก็โกรธพระเวสสันดรพะพระเจ้าเจตราชไปอุปถัมพระเวสสันดรพวกนี้ก็โกรธพระเจ้าเจตรราชก็รวมกลุ่มกันรบ คนก็ตายกันเยอะ ท, ทีนี้เรื่องมโหสถทั้งเรื่องมันก็เรื่องการเมืองเยอะอยแยะไปหมดเลยในชาดกทศชาติทั้งสิบเรื่องนั่นแหละก็เป็นการเมืองทั้งนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่ไม่เป็นการเมืองได้ยังไงและแต่ละชาติก็เป็นกษัตริย์ทั้งนั้นไปคือเราก็พูดกันเรื่อย เราไม่เข้าใจแต่พระผู้กันเมืองไม่ได้เอาพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องพระเจ้าวิชิตราชได้ว่างไงแสดงเรื่องทศพิ ร, รราตจะทำแสดงเรื่องราชจะสังหะแสดงเรื่องจั ก, กรวั ด, ดิวัติแสดงเรื่องลักษณะของสภาที่เมืองอตูมาแก่พระญาติสากยาวงไปห้ามทับ การศึกสงครามระหว่างพระญาติทั้งสองฝ่ายไปให้อวาดพระเวสฯพระเจ้าประเสิทิโกศลในโกศลทั้งยุทธมีเยอะเลยเลยนา ม, มาออกอากาศว่าสั่งสอนพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติตัตรูเยอะแยะไปหมดเลยคือถ้ารวบรวมเรียบเรียงเป็นรัฐศาสตร์เชิงพุทธ แต่เล่มขนาดใหญ่เลยกระทรวงมาไทยเคยขอให้ทางวัดประวรนทำให้ทีหนึ่งแต่ทีนี้ก็ปรากฏว่ามันเงียบไปนะฮะปรากฏงานเป็นรูปเล่มแหละแต่เอามาอ่านแล้วมันคือแสดงว่าผู้รวบรวมไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงเรื่องงานนี้เลยตายอยู่กับเล่มแรก คือไม่ได้เผยแพร่ไม่ได้ขยายผลไม่ได้นำไปสร้างเป็นละครเป็นภาพยนตร์อะไรต่ออะไรต่างอันนี้ก็คือหมายความว่าต้องมองให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแล้วคุณจะว่าอย่างไงอย่างราชสังกหานี่เราชัดเจนมากเลยว่าเป็นการบริหารประเทศชั้นดีออกมากๆ บริษัทธเมตะฉลาดในการบำรุงคนส่งส่งเสริมคนพัฒนาคนวางคนให้สอดรับกับฐานะตำแหน่งความรู้ความสามารถของคนเหล่านั้นยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อมีการกระทําที่ควรยกย่องตาหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อมีการกระทําที่ควรตำหนิ สัตสเมทะส่งเสริมงานอาชีพของราษฎรเป็นกระบวนการอย่างปัจจุบันนี้เลยเถิดไปจนถึงค้าขายต่างประเทศรัรัฐก็มีได้ที่ส่งเสริมสนับสนุนจนถึงก็หาตลาดให้ให้ทางทูตหาตลาดให้แล้วก็สัมมาปาสะเป็นงานระดับรากยา ให้ทุนแก่รัฐสรในการประกอบอาชีพให้เขาถึงแหล่งเงินแหล่งทุนแหล่งงานให้เขาเดินหน้าให้ได้ตัวนี้เป็นการกู้นะฮะแต่ว่ามีระยะปลอดหนี้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ค่อยทยอยสุงให้รัฐรัฐ ก, ก็เข้าไปกองทุนเดิมกองทุนกลางช่วยคนอื่นต่อไป แล้วก็วาชเปยยะคือใช้หลักการประชาสัมพันธ์อธิบายชี้แจงประสิตประสาทความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเรื่องอะไรก็ตามนะก็นเน้นกันไปตามสมควรแก่กรณีนั้นๆแล้วตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ บอกกระชี้แจงปีนี้น้ำมากนะปีนี้น้ำน้อยนะจะทำนานกี่หนกี่หนสองหสามโหนมันก็ยังทันสมัยอยู่นั่นแหละแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือนิรักละขาจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางในการดำรงชีวิตของอาณาประชาราษดรจนสามารถอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข บานเมืองไม่ต้องใสสลักกลิ่มกรอนประตูไม่ต้องติดกุญแจก็อยู่ได้บันเมืองราชยนผู้ได้โอมันทันสมัยมทันสมัยเรียบร้อยเลยแต่เราก็มาถึงก็ตีคลุ้มไปเลยว่าพระพูดการเมืองไม่ได้ใครบอกไม่ได้พระพุทธเจ้ายังพูดได้พระโอวาทเยอะแยะไปหมดเลยที่เกี่ยวกับการเมืองเพียงแต่สมัยนั้นเขาไม่เรียกว่าการเมือง เป็นรัชธรรมเราผู้นำในการบริหารนั้นคือกษัต ร, ริย์ของเราผู้บริหารบ้านเมืองเป็นนักการเมืองเราก็เรียกว่าการเมืองจริงๆมันเป็นวิถีชีวิตท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ คย่าลืมว่าผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นนักเรียนอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นหลักบางคนก็มาจากเยอรมันอย่างพญาพระโคนี่ไปจบจากเยอรมันมาพวกนั้นได้ศึกษาเรื่องสงครามโครเซตเรื่องยุคบื้ดของยุโรปเห็นว่าแต่และเรื่องเนี่ยพระเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นนักบวชเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นแล้วก็นึนกว่าศาสนาพูดยังคงเหมือนกัน คือศาสนาของคนอื่นนะรู้เยอะแต่ศาสนาของตัวเองไม่รู้เลยเลยก็นึกว่าเหมือนกับศาสนาคริสเหมือนกับสิทธาลาเหมือนกับอยู่ไดเหมือนกัอยู่ย น, ยนะฮะคนละเรื่องเดียวกันเลยแล้วพระเราก็ดีเหลือเกินคือไม่พยายามที่แจงทําความเข้าใจกัน หาจุดกลางมายุติซีว่าตรงเนี้ยทางออกพระพุทธศาสนาสอนอะไรเอาไว้อย่างไรพระเวลาพูดไม่พูดเองหรอกเราอ้างพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นแหละพระเจ้าว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างรัฐสภานโอ้ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้เพลาะมากวันนั้นที่เสด็จไปเมืองอตุมาเนี่ย ฝนไม่ต ก, กนะพระเจ้าบรรดาในฝนตกเพื่อหาโอกาสหลบหลบฝนเข้าไปที่สภาของเขาเขากำลังไปชุมกันส่งเสียงกันลั่นเลยเจ้าเจ้าเลยพระเจ้าก็เจตนาเดินให้ผ่านหน้าไปเลยพวกนั้นก็บอกว่าจะเอาอะไรกระซู ส, สมณะหัวลน้นไม่รู้จักทมเนียมหรอก ไม่รู้จักธรรมเนียมของสภาหรอกผูจาก็แสดงว่าสภาใดไม่มีสัตรบุรุษสภานั้นไม่ชื่อว่าสภาคนใดพูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ชื่อว่าสัตรบุรุษสัตรบุรุษจะต้องปราะศจากราคะโทสะโมหะ หมายความอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไม่ตกภายใต้อำนาจ ก, กวอาราคาโทสะโมหะแต่ความเราตะเงแต่กระทันสมัยเปรียบเลยก็เรายัางไปไม่ถึงเลยทุกวันนี้อันนี้ก็คือธรรมะในพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยอยู่ในพระสูนยตรตนี้อยู่ในพระสูตรแต่นี้เรากำลังคุยเรื่องอัตถกถา แต่ก็มาจากพระสตุนั่นแหละคือมาความมาข้อความเราเนี้ยขัถาเราเนี้ยจริงจริงมันมาจากพระสูนั่นแหละแล้วภาษารีบุตรแสดงว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอย่างนั้นพรประการแรกเนี่ยบุคคลไม่ควรวางใจในคนบางพวกไม่แบบว่าจะเป็นคฤหัตหรือบรนปรชิตก็ตาม ยกตัอย่างง่ายๆพระพุทธเจ้าเสด็จไปกับพระสุนัขตะสุนัขตะนั้นเป็นพวกกษัตริย์ลิศวีนะครับกระบุญในสำนักของพระพุทธเจ้าต้องการให้พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูพอพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์นี้เธอไม่รู้ว่านั่นคือปาฏิหาริย์เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ ปุจจาก็ให้สติบอกว่าเราก็ไม่ได้ตกลงสัญญานัดหมายอะไรกับเธอไว้ถ้าเธอว่าถ้าเธอบวชในธรรมินทร์แล้วจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูเธอจะอยู่ก็อยู่เธอไม่อยู่ก็ไม่อยู่ปุจ้ารู้ว่าคนนี้ไปไม่ถึงไหนครับแล้วก็เดินไปก็เจอปริภาชกก็เดินมาอาเจโลกนะฮะเจลกนักบวชเปลือย ก็เดินมาแพ้มันมันก้มหัวเตรียมจะขิดนะฮะแต่เจโรกไม่เข้าใจว่าแพ้มันโค้งคํานับแกปุญญาก็เชียดูบอกเธอดูนะเจโรกคนเนี้ยจะถูกแพ้ขิดตายแล้วแกก็ก้ม ล, ลงไป แคร์จะให้สีให้พรแก่แพ้ได้จังหวะพอดี เ, ยเสยโครมเดียวตายเลยนั่นปาฏิหาริแล้วพระเจ้ารู้ความคิดของแพ้โดยทั้งไปแต่เจโรกแกไม่รู้ก็ไปวางใจสัตว์หน้าค้นอย่างแพ้คิดว่าท่านเก่งมากแพ้ยังให้การเคารพนับถือเลย นี่ก็แสดงให้เห็นว่าไปวางใจคนบางคนโดยไม่จำเป็นอันนี้สัตว์นะนะอนนี้สัตทีต น, นี้อย่างพระเทระของเราหมาเทระผู้เท่าเลยพระมหากรส ป, ปะเนี่ยพระมหากระสปะท่านก็ไม่ค่อยมีลุกสิทธิห์หรอกเพราะท่านอยู่ที่ถ้าปิดผลิ แต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาพผสมควรเกียยแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ท่านเนี่ยเหลือกำลังเลยมีคนหนึ่งอยู่กับพระมหากระสปะอยู่กับเพื่อนอีกสองอี ก, อ ก, อกรูปหนึ่งก็สองรูปนะพรพอฤดูหนาวเนี่ยเพื่อนก็จะต้มน้ำร้อนไว้ทุกวันเพื่อให้พระมหากระสาปะสุกน้าพระมหากระสปะก็แก่แล้ว ก็ได้ส่งน้ำร้อนท่านก็ต้มน้ำร้อนเสร็จพ อ, อน้ำร้อนเรียบร้อยนะฮะท่านก็เตรียมที่จะให้พระมากรตปะไปส่งเตียเพื่อนร่วมหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยไปหาพระเถระเลยนิมนท่านอาจารย์ไปส่งน้ำตอนนี้ผมต้มน้ำเสร็จไปแล้ว เพื่อนที่ต้มน้ําก็เฉยก็ยไม่ว่าเลยเออองค์นี้ทําทุกวันเลยทําอย่างนี้ทุกวันเลยโกหกทุกวันเลยเลยวันหนึ่งท่านต้มน้ําพอน้ําเดือดเต็มที่ท่านก็เอาไปซุกไว้ไปห ล, ลบไว้พอหม้อน้ํานี่ไปหลบไปภิกษุรูปด้านก็ไปเหมือนเดิมเห็นควันขึ้นข้าโมโงง เป็นไอน้ำระเหยขึ้นมาแล้วก็นึกว่าเสร็จแล้วก็ไปในมวะปฐระรให้ไปส่งน้ำไปถึงปรากฏว่าไม่มีน้ำท่านก็ถามเอ้าไหนละน้ำบุณุษก็ตกใจเลยก็ดุดาเพื่อนไปใหญ่พระมากระะปาก็รู้ว่าใครเป็นใคร ต่อมาในคราวหนึ่งเนี่ยมีคนถวายจีวคอแก่ท่านท่านก็ให้ภิกษุที่เป็นอุปทากนั่นแหละแกก็โกรธ ะ, ะหาว่าพระเถระเลือกที่รักมากที่ช่งอักติไม่ยอมให้แกแต่ว่าไปให้ภิกษุรูปเดียวเพราะมันผืนเดียวนะเดสุดก็โกรธอนะ แระเทเราออกบินทบบาทเกทุกหมอดเกลยหม้อมืออะไรอะไรต่างๆที่ต้มน้ำนี่ทุบหมดเลยแล้วเผากุฏิสด้วยนี่ขนาดสติวธธริกนะวางใจลูกสิ์ที่เป็นสัติวริกแต่ว่าในที่สุดมันก็กลายเป็นพิษเป็นอันตรายต่อท่าน หรือว่าเรื่องพระอนุรุษที่เป็นปฐมเหตุการบัญญัติพระวินัยห้ามพิสูจอยู่ร่วมกับสตรีในที่บุงบังร่วมกับสตรีสองต่อสองเนี่ยห้ามแต่จริงพระอนุรุษท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเพียงแต่ว่า ต, ตอนเข้าไปขอพำนักเนี่ย เือท่านมาจากเมืองกุสินาราก็ามืดในที่นั้นที่นี้บ้านเขาว่างอยู่พระเทิราก็ขอไปเข้าพักสาผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ไม้พอเห็นพระเทราก็พอใจเลยัตวตกดึกขึ้นมาก็เข้าหาพระเทระา ไม่ถึงก็ไปรุกรานอะไรหรอกแต่ไปยั่วยวนโดยวิธีการนันต่างแต่เดราก็นั่งเฉยแล้วก็พยายามให้โอวาตว่ากล่าวตักเตือนให้เธอเข้าใจสถานะของท่านว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรในสุดเธออายเธอก็ขอเข้ามาลาโทษแต่ทีนี้สมมติว่าไม่ใช่พระนุรุธล่ะ เป็นพระบุทุชนละโดนผู้หญิงไปโยโยวนขนาดนั้นจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นวางใจคนบางคนโดยท่านก็บริสุทธนะ์นะพอมาถึงสาวถีท่านก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าสงสารเป็นพระหานผู้เจ้าก็ตตาหนิเอาเหมือนกันว่า มันไปแต่สินใจเชื่อคนง่ายเกินไปแล้วก็เรียกประชุมสงบ ญ, ญัติพระวินยัยแต่ก็ไม่ตีแรงหรอกเพราะว่าท่านไม่ได้ทำผิดอะไรตอนนั้นก็ไม่มีบทบัญญัติของพระวินัยเอาไว้เพราะเรื่องคนเนี่ยเราเห็นว่าเป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากที่สุด ใครเข้าใจคนได้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆากใคาจะเข้าใจอะแต่ไม่เข้าใจเราลองดูว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่คบหาสมาคมกันมาเป็นเวลานานจากเพื่อนเป็นคู่รักจากคู่รักเป็นคู่มั่นจากคู่มั่นแต่งงานเป็นสามีพัรยากันต่างคนต่างวางใจกัน แต่ว่าโลกมันก็มีสามีปัญญาอยู่สี่สี่คู่กุจ้าเรียกว่ายักษ์อยู่ร่วงกับยักษ์กินีคือเลวร้ายด้วยกันทั้งคู่กูนี้พออยู่กันได้นะฮะเพราะว่ายักษ์กับยักษ์กินีก็อยู่กันได้อีกอย่างหนึ่งเป็นการอยู่ของเทพประบกับยักษ์กินี คือหมายความว่าผัวนั้นเป็นคนดีมีศีลมีธรรมอยู่ในศีนในธรรมแต่พัญญาเป็นคนโหดร้ายรุนแรงสาสากันตัดสินใจผิดคิดจนเรือนพังคิดจนเรือทลายก็อาจจะต้องอย่าร้างนะสภาพเรานี่ในสุดก็ต้องอย่าร้าง อีกอย่างนึงเป็นการอยู่ร่วมของเทศติดากับเทพบุตรไม่ใช่กับยักษ์กินีกับแบบยักษ์นะหมายความผู้ชายโหดร้ายทารุณกดขีุ่มเหงพัญญาของตัวเองผัญญาดีแสนดีเป็นกุลสตรีที่ดีแสนดีปฏิบัติสามีเหมือนเทวดาแต่ว่าหนักเท่าเนี่ยเธอก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องหย่าร้างกัน มันก็มีที่ดีที่อยู่กันโดยปกติสุขได้มันก็คือเป็นการอยู่ร่วมของเทพประวกับเทพติดาหมายความว่าสามีพัญญาอยู่ในศีลในธรรมด้วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนดีด้วยกันแน่นอนหน้าที่ยังทันสมัยจนปัจจุบันนี่แหละตามที่พระเจ้าทรงสอนไว้เอาห้าข้อให้ได้เถอะไม่ต้องไปนับข้อที่หกหรอกว่าคืออะไร เพราะแต่ละข้อมันคลุมสาระธรรไว้ยเยอะแยะเลือเกินสามีให้ยกย่องนับถือสถานาภาพของพัญญาแตลอดตั้งเกี่ยวเนื่องกับสถานาภาพของเธอญาติวงปงสาของเธอพ่อแม่ของเธอพี่น้องของเธอญาติของเธออดีตของเธอต้องยอมรับทั้งหมด ไม่ดูหมิ่นจะด้วยรูปร่างจะด้วยหน้าที่การงานจะด้วยทำข้าวปลาอาหารจะอะไรก็ตามไม่ดูหมิ่นมีอะไรก็สารเสวนาพูดคุยกันปรึกษากันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันช่วยทำให้ดูเป็นตัวอย่างหอวาแนะนําให้ไปดูที่นั้นที่นี้ที่โ น, น้นไปเที่ยวที่นั้นที่นี้ที่โ น, น้นไม่ได้นาไม่ก็ไปดูเลยเหรอกเกิด น, นิ่มๆชวนไปเที่ยว ไปชมการทำงานบางอย่างเพื่อพัญญาจะหนักสนักสำนุกสำเนียกไอ้สเนียกด้วยตัวเองและที่สำคัญอย่างยิ่งคือไม่นอกใจกันไม่นอกใจพัญญากันตัวเองแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ในฐานะแม่เรือนให้แล้วก็มีของขวัญมีของฝากมีรางวัลอะไรต่ออะไรต่างๆ ตามต้งควรเก่โอกาสในขณะเดียวกันปัญญาก็จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีไม่นอกใจสามีรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สมบัติขยันในภารกิจการงานที่เป็นหน้าที่ของปัญญาก่ อ, อกฝ่ายละห้าข้อแล้วก็ถึงอย่างนั้นก็เถอะเราจะเห็นว่ามีการอย่าร้างกันเยอะ ตัวเลขอย่ารางเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวเลยไปเถอะเลยเถิดไปจนถึงมันจะเป็นแฟชั่นที่ชอบความเป็นสดอย่างประเทศจีนเมื่นี้ก็มีปัญหาสิงคโปร์นี่ก็มีปัญหาทนะั้งก็แสดงให้เห็นว่าแล้วมันกระทบต่ออัตราส่วนของประชากร หมายความวาในขณะที่ศาสนาบางศาสนาเขาไม่ได้คุมกำเนิดกันเรามีไม่แต่งงานแล้วคุมกำเนิดด้วยพอถึงสี่ห้าสิปีนี้อัตราประชากรเขาก็เพิ่มขึ้นสูงสูงขึ้นจนเหนือกว่าเราคล้ายๆกิการทางภาคใต้นะเดี๋ยวถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆ คนเผ่าไตคือไทยเนี่ยอยู่ที่นั้นมาก่อนเราไปพิสูจน์โดยโบราณคดีได้ขุดขึ้นมาเจอเจอดีเจอเทวะลายเจอมัสิดนะเจอสามอย่างนี้แล้วก็วัดอายุกันเราจะเห็นว่าคนไทยอยู่มานานไปถึงปาลิมบังนะฮะไปบาหลีไปชวาไปสุมาตราไปหไรามากมายไกลกอ รองรอยอะไรก็ยังเหลื อ, อยเยอะแยะแต่ในสุดคนนับถือศาสนาอิสลามเรท่วมทนขึ้นมาทั้งๆ ท, ง ท, งที่แต่เดิมก็เป็นพุทธนะกษัตริย์ที่เป็นผู้นาผู้นำเปลี่ยนมาเข้าดีดเป็นอิสลามนเป็นพุทธชื่อเป็นภาษาอังกฤษลืมชื่อไปละชื่ออะไรไม่รู้สันตกฤตนะครับ เ, เป็นชื่อภาษาสันตกฤิต อันนี้ก็คือคือปัญหาที่จะตามมาแน่นอนตอนนั้นเราตายแล้วก็ไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าคือมองแบบพลาดนี่เราเป็นห่วงเป็นห่วงทุกด้านเป็นห่วงชาติศาสน า, ศาสถาบันประมากษัตริย์เราก็ต้องการให้เห็นยั่งยืนดำรงอยู่นักแน่นมั่นคงไม่เดือดร้อนวุ่นวาย ทีนี้พอมาถึงเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากคู่ครองนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่การเลือกคู่ครองการเลือกคบเพื่อนเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยคนเด็กเสียเพราะเพื่อนนี่ยยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเนี้ยอย่างพวกปทุมวันกับกูเทนถวายเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เพราะรุ่นพี่รุ่นพี่ก็มาทำให้ เกิดความแตกแยกทะเลวิวาสรุนแรงจนถึงก็ขีนฆ่ากันไม่น่าเชื่อหรอกเด็กๆมาถึงฆ่ากันเนี่ยเราไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันทีนี้คนเราอย่าประการต่อไปคืออย่าตัดสินเลยตัดสินด้วยรูปร่างหน้าตาตัดสินด้วยสถานะตัดสินด้วยพื้นฐานการศึกษาอะไรต่า ง, างๆเนี่เราตัดสินอะไรไม่ได้ ขุยจาทรงแสดงว่าความมีศีลจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องใช้ปัญญาพิจารณาจึงรู้ถ้าไม่พิจารณาจะไม่รู้อย่างท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินสมเด็จเจ้าแตงโมเป็นเด็กเร่ร่นอนจรจัดนะฮะมาจากไหนก็ไม่รู้ เห็นเปลือกแตงโมลอยอยู่ที่แม่น้ำเพชรบุรีก็โดดลงไปก็ดึงลงไปกินในน้ำาลอยขึ้นมายังเหลือเปลือกเขียวๆเขาเรียกว่าเด็กแตงโมพระอาจารย์เจ้าวาท่านฝันเห็นช้างเผือกมาพังตู้พระไตยปิดกท่านก็สั่งไว้ตั้งแต่กลางวันตั้งแต่กลางคืนตอนท่านจะไปนิมนต์เน่ยบัตยตาเห็นเด็ก แปลกหน้ามาแล้วให้เอาไว้ท่านก็เลี้ยงดูส่งเสริมสนับสนุนจนเป็นสมเด็จเจ้าแตงโมนะก็ไม่แน่ใจว่าตำแหน่งอะไรแต่ว่าที่เพชรบุรีเนี่ยเขาเรียกสมเด็จเจ้าแตงโมเห็นไหมเราตัดสินที่หน้าไม่ได้ตัดสินที่การอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันนา น, น, าน มีการสังเกตการพินิษพิจารณาจึงรู้ทาให้สังเกตไม่พิจารณาจะไม่รู้อันนี้ก็คือหลักพอคนเราดูข้าวความไม่ จ, จะเป็นคนดีอาจจะเป็นคนชั่วแฝงมาในรูปร่างรูปลักษณ์ของคนดีก็ได้หรือว่าคนดีนั้นดูข้างนอกแล้วไม่น่าจะไปได้ แต่ว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนดีเราก็ตัดสินเขาไม่ได้ก็สองสามเดือนที่แล้วมาเนี่ยนะฮะมีพระองค์หนึ่งท่านเกิดอุบัติเหตุก่ออาพาธถึทางวัดก็จ้างคนให้มาดูแลต่อมาท่านเกิดสนใจผลพม่าเข้า เรากรรมการวัดเองก็ไม่แน่ใจนะฮะเรื่องเรืงพม่าเนี่ยเราก็ไม่รู้จักก็จริงตั้งข้อสังเกตเอาไว้สองสามคราวที่ประชุมก็เสนอเข้ามาซ้าทุกทีเราคิดว่าข่าวที่เรารู้นี่เหมือนทักจะเสียวๆแต่เพื่อเธอมมาดูก็จริงนี่ปฏิบัติวัดถากดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างของพระอาจารย์ โดไม่คํานึงถึงความเหนือยยากลําบากอะไรเลยซื้อสัตว์สุจริตน่ารักมากจนเป็นที่ริษยาของคนข้างเคียงอันนี้เห็นไหมเราตัดสินไม่ได้แม้แต่ชาติพันธ์เนี่ยเรายัางตัดสินไม่ได้เลยอย่างที่โบราณท่านเตือนนะครับคนดูหน้าซื้อผ้าดูเนือ้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าจนใจเอง ก้อยคิดเอาไว้อย่าปฏิเสธในทันทีทันใดหรืออย่ายืนยันในทันทีทันใดบางคนเราดูหนะ้าไอ้ไม่ไม่ถูกชตตาคนนี้หน้าไม่ถูกชตตาเออก็ไม่ต้องการคบหาสมาคมด้วยแต่คนนี้ถูกเชตตา ด, ด, ดีพูดตีพูดเพราะพูดหวาน อาก็ให้ความสนิทสนมคุ้นเคยตอนที่เพื่อนก็ต้มเอาคือคนคนดีเนี่ยเขาตรงไปตรงมาเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างไงน่ะเขาปกติเขาเป็นอย่างไงแต่ถ้าคนไม่ดีเนี่ยโอ้เพาลูกเล่นเขาเยอะลูกเล่นเขาเยอะ พันตัดสินเพียงเพราะพูดคุยเพราะเห็นหน้าอย่างในปัจจุบันนี้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะนะฮะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่สรุปว่าต้องคิดพินิษ์พิจารณาพระเทราวางหลักให้สังเกตเอาว่าบุคคลไม่ควรวางใจในคนบางพวกไม่ว่าจะเป็นฤหษีและบัณชิต พระตอนต้นถึงแม้จะเป็นคนดีต่อไปนี่เกิดถูกยั่วยวนยั่วยุโดยเยพาะ อ, อย่างเนี้ยเวลาเนี้ยรับรับอะไรล่ะรับผู้ช่วยแม่บ้านก็เรียกผู้ช่วยแม่บ้านก็โดนขโมยไปเยอะมีขาวบ่อยมีคนแก่ถูกเด็กหนุ่มปลอมไปเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างอะไรบ้างมาหลอกเอา เออเบิกเงินถูกสลากกินแบกอะไรแตร่ไรโอ้สารพัด ส, สารพัร้อยสี่พันอย่างอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าคิดมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตในโลกว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกมันก็เป็นอย่างนี้ตอนตอนตอน้ตนก็อาจจะเป็นคนดีแต่ว่าใจก็คิดยังไงอะแล้วถ้าเกิดอะไรล่อตาขึ้นมา เป็นสายสร้อยเส้นใหญ่วางอยู่ไปเห็นแหวนเพชรไปเห็นอะไรเข้าเนี่ยจะทํำยังไงดีจะแตกหรือเปล่าบางทูถ้าทางเขาไม่ดีอะ่ะแต่ว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยเราอุปการะให้ความสนิทสนมเหมือนกับญาติพี่น้องจิตใจเขาอ่อนโยนกับเราอะกับคนอื่นไม่รู้สิแต่กับจิตจิตใจของเขากับอ่อนโยนกับเราเขาก็เป็นมิตรกับเราได้ แต่สรุปว่าคนนี่เขาบจะยากอย่างที่ท่านบอกไว้นะ่ะหมาสมุทสุดลึกล้นคอนานาาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดวากำหนดจิตปนุษนั้นทายยากแท้อย่างถึงนั่นคือโลกนั่นคือชีวิตซึ่งก็สภาพรอบตัวเราเนี่ยแม้แต่คนใกล้ชิดกับเราเนี่ย มันไม่มีจุดที่จะออกลายลายมันอาจจะยังไม่ออกแต่พอถึงจุดหนึ่งมันลายมันออกแล้วก็สยองเหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่ปเิระยำเตือนบอกว่าหรือว่าตอนต้นเป็นคนไม่ดีแต่ว่าภายหลังกลับเป็นคนดีก็ได้เพียงแต่ว่า ให้เรามัดระวังอย่าถึงก็ตั้งสมมติฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ก่อนดูไปก่อนสังเกตไปก่อนพิจารณาไปก่อนค่อยตัดสินใจทีหลังจะมีการทดลองงานอะไรต่ไรต่างๆตามสถานที่ต่างๆเออดูสักหกเดือนก่อนแล้วค่อยว่ากันในโอกาสต่อไป ในสมัยโบราณท่านมีวิธีการเยอะนะฮะในการพิสูจน์ทดสอบคนแต่ในปัจจุบันเขาก็ใช้เอาความรู้กับการสัมภาษณ์มาเป็นเกณฑ์ซึ่งก็มีความสุมเสียงอยู่ไม่น้อยเหมือนกันต้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพศาลในธรรม จงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี